เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุกับผลคือเราประกอบเหตุอย่างนี้เด็กกายได้วาจาได้ใจจะต้องมีวิบากอย่างนั้นเป็นผล หรือผลที่เราได้รับในปัจจุบันก็เกิดขึ้นจากเหตุที่เราได้ประกอบมาจากในอดีตชีวิตทุกๆชีวิตในเรื่องเหตุเรื่องผลนี้ไม่พ้นแต่ว่าเราไม่เคยรู้เรื่องกันเลยบางทีเห็นเหตุแต่ไม่เห็นผลเคยเห็นไม่ครบวงจร หรือเจอผลแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากเหตุอะไรเรามักจะไม่ค่อยรู้กันอย่างนี้หรือบางทีไม่รู้ทั้งเหตุทั้งผลเลยไม่รู้ไอ้ตรงนี้อันตรายนะจ๊ะเรานํามีบุญมากที่ประสัมมาสมุทจะทันบังเกิดขึ้นและทา่านกบไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้โดยมหากรุณาของพระองค์ก็นำมาเผยแร่ เอามาสั่งสอนมาบอกนั่นแหละว่าประกอบเพศอย่างนี้มันจะไปเป็นผลอย่างนั้นผลอย่างนี้มันจะเคจอย่างนั้นเราจะได้ทำได้ถูกเพราะชีวิตในสังสารวัตเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนศาสนาดังๆที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลที่เกิดกันมาชาติเดียวแล้วก็ มีความเคารพเรื่มใส่หรือเทิดทูนพระผู้สูงสุดนั้นแล้วไปอยู่สวรรค์ด้วยกันถ้าไม่ทูดทูนไม่เคารพ บ, บูชาก็ไปนรกหรือบางทีก็สอนกันว่าให้ทำสังคมสรงเขาแล้วท่องคำของพระโพธิษัตวตายแล้วเนี่ยจะไปอยู่รวมกันในแดนแดนหนึ่ง ซึ่งมีความสุขมากตรงนั้นจะไปเจอพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราได้บรรลุธรรมตรงนั้นมันก็เป็นยังไงพระสมาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าชีวิตนี้มีการเวียนว่ายตายเกิดกันนับภพรับชาติไปทุนเบื้องต้นของสังสารวัฏทามกลางและเบื้องปลายไม่มีใครทราบ มันมากันตั้งยาวนานแล้วและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าของเราพระองค์นี้เกิดหรือพระองค์ไหนก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำขึ้นแต่ว่าค้นพบเจอกฎนี้จริงยังมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่หากเราไม่เชื่อตรงนี้นี่อันตรายที่เดียวนะจ๊ะดังนั้นอย่าไปเสี่ยง เราจะเชื่อตอนเป็นแล้วเราจะไปเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นครับจะต้องเชื่อตอนเป็นเชื่อคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเพิ่งไปสรุปว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์วิธีพิสูจน์มันมีอยู่เป็นพุทธบิธีมันเป็นของละเอียด เ, ยเรื่องเหตุเรื่องผลเราก็ต้องใช้วิธีของท่านผู้รู้จึงจะไปสูต์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ เพรนั่นจะเพิ่งเป็นสรุปเพราะเราทําไม่ได้หรือไม่เคยเห็นใครทาได้นั่นแหละว่ามันไม่มีไม่ใช่หรือใช้คําว่าพิสูจน์ไม่ได้จะเพิงเป็นสรุปตรงนั้นเราต้องมาพิสูจน์ทีนี้เลยระหว่างที่เรากำลังพิสูจน์แล้วเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องมาเชื่อผู้ที่พิสูจน์ได้แล้วที่หมดกิเลสคือปัสมมาสัมพุทจธานี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเราก็เชื่อเอาไว้ครึ่งหนึ่งเชื่อพอที่เรา สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดผลน็คือปิดอบายไปสวรรค์เชื่อในระดับนี้ก่อนถ้าเชื่ออีกระดับหนึ่งจะให้มันครบร้อเเซก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องนี้มันเลยการนึกคิดเราจะใช้จินตามัจจายาจากการอ่านการฟังแล้วก็เอามาคิดมาไตรตรองเพี่อจะหาเหตุผลในสิ่งเหล่านี้นมันไม่ได้เพราะมันเลยเหตุผลไป ด้วยปัญญาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลในระดับภาวนามยะปัญญาคือเลยความนึกคิดในระดับถึงจุดที่ไม่ต้องคิดแต่จิตมันสงบแล้วมันก็จะพบเห็นเรื่องเหตุและผลเพราะความสว่างมันเกิดขึ้นมีธรรมจกักขุแล้วก็มียานัศฐนะจึงไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในนั้นเคสสตาดี้ในแต่ละเคสที่เอามาเล่าสู่กันฟังนั่นะ ก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมขึ้นมาบ้างพอสมควรแต่แต่ละเคสที่ก็ส่งมาเพราะว่าเรื่องที่เราเล่านั้นเป็นเรื่องเขาเล่ามาให้ฟังแต่ละครูที่ยายเขาตอบฝันีนฝันฝันในฝันกันไปหลับตาฝันเป็นตตเป็นตะเตะิ้นมาหาหนึ่งทีสองสามทีแล้วก็เอามาไลา่ฟังเปในใ็นนิยายประลาบลา คือฟังพอเพลินๆสบายๆายไม่ต้องไปซีเรียสสบายตามสไตล์นักเรียนอังบาลเพียงมีวัตถุประปสงค์ให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแต่จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ให้เฉยๆทําให้เฉยๆนิ่งๆเอาไว้แล้วก็เราไปพิสูจน์กันแต่นะจะรเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุกับผล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 มันเกิดขึ้นและท่านกบไปคนพบเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้โดยมหากรุณาของพระองค์ก็นามาเผยแพร่เอามาสั่งสอนมาบอกนั่นแหละว่าประกอบเพศอย่างนี้มันจะไปเป็นผลอย่างนั้นผลอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนั้นเราจะได้ทำได้ถูกเพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือน ศาสนาดังๆที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลน่ะที่เกิดกันมาชาติเดียวแล้วก็มีความเคารพเรื่มใสหรือเทิดทูนพระผู้สูงสุดนั้นแล้วไปอยู่สวรรค์ด้วยกันทำไมทูดทูนไม่เคารพ บ, บูชา ก, ก็ไปนรกหรือบางทีก็สอนกันว่าให้ ทำสังคมสงเคราะห์แล้วท่องคำของพระโพธิสัต์ตายแล้วเนี่ยจะไปอยู่รวมกันในแดนแดนหนึ่งซึ่งมีความสุขมากตรงนั้นจะไปเจอพระพุทธเจา้าท่านจะสอนให้เราได้รู้ธรรมตรงนั้นมันก็ไม่นยังไงพระสมณพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าชีวิตนี้มีการเวียนว่ายตายเกิดกัน นับพบนับชาติไปทุนเบื้องต้นของสังสารวัตรท่ากลางและเบื้องปลายไม่มีใครทราบมันมากันตั้งยาวนานแล้วและสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าของเราพระองค์นี้เกิดหรือพระองค์ไหนก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ทําพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําขึ้นแต่ว่าคนพบเจอกฎนี้จริงจะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ถ้าหากเราไม่เชื่อตรงนี้นี่อันตรายทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเราจะเชื่อตอนเป็นและเราจะไปเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นครับจะต้องเชื่อตอนเป็นเชื่อคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วยังไม่ได้พิสูจน์วิธีพิสูจน์มันมีอยู่เป็นพุทธวิชีมันเป็นของละเอียดเรื่องเหตุเรื่องผล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 เป็นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเราก็เชื่อเอาไว้ครึ่งหนึ่งเชื่อพอที่เราสามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดผลก็คือปิดอบายไปสวรรค์เชื่อในระดับนี้ก่อนถ้าเชื่ออีกระดับหนึ่งจะให้มันครบร้อเก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องนี้มันเลยการนึกคิดเราจะใช้จินตามัจจายาญยาจากการอ่านการอาการอ่า น, า น, านการฟัง แล้วก็เอามาคิดว่าไตรตองเนี่ยเพืจะหาเหตุผลในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเลยเหตุผลไปด้วยปัญญาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลในระดับภาวนามาย์ปัญญาคือเลยความนึกคิดในระดับถึงจุดที่ไม่ต้องคิดแต่จิตมันสงบแล้วมันก็จะพบเห็นเรื่องเหตุและผลเพราะความสว่างมันเกิดขึ้น มีธรรมปจากักษขุแล้วก็มีญาณอัศนะจึงไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเคสดีในแต่ละเคสที่เอามาเล่าสู่กันฟังนั่นฮนะก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมขึ้นมาบ้างพอสมควรแต่แต่ละเคสที่ก็ส่งมาเพราะว่าเรื่องที่เราเล่านั้นเปเรื่องขเขล่ามาให้ฟังแต่และครูวิทยาเขาตอบฝันนีนฝัน ฝันได้ฝันเงินไปหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่มาหาหนึ่งทีสองสามทีแล้วก็เอามาไล่ฟังเปน็นนิยายประหลาดเวลาคือฟัง พ, อ, พอเพลินสบายสบายไม่ต้องไป็นซีเรียสสบายตามสไตล์นักเรียนอุบาลเพียงมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแต่จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อแต่ให้เฉยเฉยทำให้เฉยเฉยนิ่งนิ่งเอาไว้แล้วก็รับไปพิสูจน์กัน แต่จ้ะคุณพ่อเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบโดยมีภรรยาสองคนคือรับทั้งผิดทั้งชอบคือท่านชอบมีภรรยาสองคนแต่ยอมรับว่ามันผิดที่จริงควรจะมีคนเดียว รับผิดชอบมีภรรยาสองคนแม่ใหญ่มีลูกเก้าคนคุณแม่เป็นแม่น้อยมีลูกสิบสามคนเราเคยยีบสองคนมาแล้วเอ ง, งหนึ่งแม่นะสาเหตุที่คุณพ่อมีภรรยาสองคนก็มีเหตุผลที่สวยงามดังนี้เนื่องจากแม่ใหญ่เจ็บออดแอดอด เพราะความเจ็บอดออดแดดของแม่ใหญ่นี่แหละจึงมีเหตุผลนั้นสมควรที่จะต้องมีแม่น้อยประกอบกับคุณพ่อเป็นคนรูปหล่อมีคนงานไทยสาวๆที่บ้านมากแม่ใหญ่เกรงว่าคุณพ่อจะได้คนไทยเป็นภรรยาคือรู้แล้วว่าโอ้เราเจ็บอดออดแดดเนี่ยเราคงจะทาหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แต่ไงเราเป็นคนจีนเราควรจะมีเชื้อสายจีน ตึงหนังเกียหนังเกี้ตึงแะ้วกันบ้างอย่างนี้แม่ยายจริงให้ญาติของคุณพ่อโอ้โหอันนี้เป็นเป็นภรรยาในอุดมกติเลยให้ไปหาภรรยาใหม่ที่เมืองจีนให้เป็นความสมัครใจของแม่ใหญ่โอ้โหนี่พอบ้านเราชอบจังเลยเนี่ยถ้ามีแม่บ้านในอุดมกติอย่างนี้ไปหามาให้ คุณพ่อคุณแม่อายุต่างกันประมาณสิบเจ็ดปีกำลังอยู่ในวัยอันสมควรทีเดียวไปยอ้อออเลยแต่ท่านไม่ได้รักชุกโลหุนะไม่ใช่รักชุกโลหุแบบชิงสุกรหามก็ไม่ใช่นี่กำลังสุกต่อมาเมื่อลูกชาคนที่สองของแม่ใหญ่มีภรรยาตั้งจำนะ ภรรยาก็มักจะยุแม่ใหญ่และลูกๆของแม่ใหญ่ภรรยาของลูกชายคนที่สองของแม่ใหญ่ให้เกลียดและด่าว่าคุณแม่ของลูก<อ>บางครั้งถึงกับทาร้ายร่างกายคุณแม่ก็ไม่ต่อสู้อะไรนี่ก็เป็นคุณแม่ในอุดมกติเมื่อกี้กเป็นภรรยาในอุดมกติที่ชอบมากเลยอย่างเงี้ยคือ แม่ใหญ่หามาให้แม่น้อยไม่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านก็นสบายใจสิคุณแม่ไม่ต่อสู้อะไรคุณพ่อก็เดืแต่ทำไงเฉยเฉ ย, ยมีความสุข <c oughs> นั่งดูฮะห้ามปลาม แต่บททำงา น, <c oughs> งานคุณพ่อได้แต่เอายาแก้ชําในมารักษาคุณแม่ <c oughs> คุณละเรื่องกันเลยคุณพ่อห้าแม่ใหญ่กับลูกๆลูกก็ไม่ฟังอยู่มาวันหนึ่งลูกชายคนที่สองของแม่ใหญ่ได้ขนเงินขนเช็คไปหมดและขอแยกไปอยู่เอง ตอนนั้นตัวลูกอายุได้หนึ่งเดือนโดยแม่ใหญ่บอกให้คุณพ่อทิ้งคุณแม่แล้วก็ไปอยู่กับแม่ใหญ่ ค, คุณพ่อตอบว่าไปไม่ได้หรอกเพราะลู ก, กยังเล็กอยู่จะทิ้งได้อย่างไรแต่เดิมแม่ใหญ่หาให้นะตอนนี้บอกแม่อะให้มาอยู่กับฉันทิ้งแม่น้อยไปก่อนแม่ใหญ่ไม่สนใจขนเงินไปหมด คุณพ่อของเงินบางส่วนเอาไว้สําหรับเลี้ยงลูกบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลคุณพ่อจึงต้องหาเงินทอาใหม่คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อยุ88ปีตอนจะสิ้นชีวิตคุณพ่อนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่บ้านลูกนวดขาให้ท่านสังเกตว่าขาทั้งสองข้างเป็นจำจำเหมือนเลือดเดินไม่ทั่วหลังจากนวดแล้ว สีของขาก็จะเป็นปกติสัพักหนึ่งก็กลับมาเป็นจ้ำๆเหมือนเดิมแล้วก็มีเหงื่อไหลอยู่ตลอดเวลาตัวเย็นหายใจเสียงดังคุณพ่อเสียบท่อให้ออกซิเจนอยู่แต่ก็สายหัวทำนองอึดอัดลูกจึงเอาออกเวลาประมาณเที่ยงคืนเหงื่อคุณพ่อไหลออกมาจนเสื้อเปียบลูกจิบผ้ามาเช็ดเหงื่อสัพักหนึ่งเสียงลมหายใจก็เงียบลง ลูกจึงเรียกคุณพ่อพร้อมกับเอามือไปใกล้จมูกดูว่ามีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็เอาสายให้ออสเตเลียเสียบที่จมูกคุณพ่อท่านก็เฉยๆจึงรู้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็ได้บอกคุณแม่แล้วทุกคนว่าคุณพ่อเสียแล้วทุกคนก็ตื่นลงมาพร้อมกับเอาเสื้อสูทม า, สาใส่ท่านลักษณนะหมดลมหายใจคุณพ่อใส่เต่เสื้อ ส่วนท่อนขาเอาภาพแผลคุมไว้ ค, คุณแม่เป็นคนสมระถฉลาดเป็นคนมีระเบียบรักสะอาดมีเมตตาใจดีแต่ไม่ค่อยช่างพูช่างคุยคุณพ่อคุณแม่มักจะสอนลูกๆว่ า, าศาสนาพุทธดีที่สุดใครชวนให้ไปเข้ า, าศาสนาคริสต์ห้ามเด็ดขาดในอ่านตามที่เขาเขียนมันนะ คุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุได้เจสบสาปีก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตได้เข้าโรงพยาบาลสองครั้งโดยการหอบไม่พูดเหมือนหายใจไม่ทันความจำกระจำได้บ้างไม่ได้บ้างวันที่ท่านเสียชีวิตลูกไปเยี่ยมคุณแม่เห็นเลือดกองอยู่ข้างเตียงมองไปที่ตัวท่านเห็นเข็มฉีดยาขนาดประมาณหนึ่งนิ้วฉีดที่ตัวแม่ จับมือขาของคุณแม่ก็รู้สึกว่าเย็นผิดปกติแต่หน้าผากอุน่นลิ้นจุกปากเล็กน้อยหมอบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วเพราะเอาเสียนตามส่วนต่างๆของร่างกายตายหมดแล้วแต่หัวใจยังเต้นอยู่ลูกก็เลยตัดสินใจเองว่าให้หมอเอาสายฉีดยาออก เราไม่อยากเป็นแม่ทรมานลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นนะ่ะแม่ตายจริงแล้วหรือยังลูกมีเพื่อนคู่ใจคนหนึ่งซึ่งคำว่าพระธรรมกายพร้อมกันทำบุญทุกบุญร่วมกันแต่สุขภาพเพื่อนน่ะไม่ดีเลยอารมณ์ร้อนไม่ยอมแพ้ใครห้ามพูดอะไรผิดใจ จะขี้โ ม, มโหาบางครั้งบอกว่าถ้าฆ่าคนตายแล้วไม่ผิดศีลก็จะฆ่าหรืออยากจะฆ่าตัวตาย <S <S าตอนนี้เพื่อ น, นลูกมีโรคประจำตัวคือโรคความดันและคันทั้งตัวเริ่มมาตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วเกิดจากไปหาหมอเพื่อรักษาความดันแต่ลูกน้องหมอให้ยาผิด หลังจกนั้นก็มีแผลผุพองตาม ร, ร่างกายลักษณะคลายน้ำร้อนลวกตามส่วนต่าง ๆ, ๆ ร, ร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าหน้าบวมแล้วก็คันปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวคำถามคุณพ่อคุณแม่มีกรรมอะไรแม่ใหญ่แล้วลูกๆจึงทำร้ายคุณแม่ แล้วก็เอาเงินไปจนหมดคุณพ่อทํากรรมอะไรไว้จึงต้องมาเลี้ยงลูกถึงยี <24. S 1> ่สิบสองคุณพ่อตายเพราะหมดอายุไขหรือว่ากรรมอะไรมาตัดรอนคะคุณพ่อตายแล้วไปไหนการละเอียดมีเสื้อผ้าใส่หรือเปล่าคะเพราะตอนตายคุณพ่อใส่แค่เสื้อและมีผ้าแพรคลุมขาเท่านั้น ภาพราคุมส่วนล่างมันนา ites, ่าศึกษานะลองลองคิดดูสิว่าท่านจะออกไปแค่ครึ่งตัวไหมพระไอหรือว่าเอาพระพราข้างล่างขูกแบบปากกาหรือว่ามันอย่างไรหรือว่าลืมเอาไปเห็นไหม มันจินตนาการได้หลากหลายทีเดียวตอนที่ลูกบอกให้หมอเอาสายยางออกคุณแม่เสียชีวิตแล้วหรื อ, อยังคะกังวลสิตอนนี้ถ้ายังถ้ากับลูกฆ่าคุณแม่หรือเปล่าที่ทำลงไปกับเราหมอบอกว่าคุณแม่ตายแล้วและลู ก, กไ่อยาคุณแม่อยู่อย่างทรมานลูกจะต้องรับกรรมอะไรบ้างคะ จะแก้ได้อย่างไรเน<ล>ี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษานะ<ล>าต้องติดจานดาวธรรมอย่างเงี้<ล>สยสาเหตุที่แท้จริงที่คุณแม่ตายเพราะอะไรคะก็ะเพราะหมดลมสิจ๊ะ <c oughs> ท่านไม่มีอารมณ์หายใจนะ ค, <ล>คุณแม่ตายแล้วไปที่ไหนคะ <c oughs> ท่านได้ใส่เสื้อผ้าชุดไหน <c oughs> มาอีกแล้วเมื่อกี้คุณพ่อ เพราะตอตายท่านใส่ชุดโรงพยาบาลและก็มาเปลียมเป็นชุดที่ท่านโปรดในภายหลังตัวโลกท่านออกไปเนี่ยในชุดโรงพยาบาลหรือว่าชุดหลัง <c oughs> อ้าวมันมีโอกาสคิดนะ <c oughs> มันน่าถามเป็นเดียว <c oughs> เพราะถ้าชุดโรงพยาบาลไปเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคนป่วยตลอดกาลในบรโลก <c oughs> แต่ถ้าเป็นชุดหลังเออจอชุดโปรดสวยนี่ก็เห็นไหมน่าคิดหรือชุดอะไรที่นอกเหนือจากนี้เห็นไมเนี่ยตั้งติดใจดาวธรรมบอกแล้วลก่อนที่คุณแม่ตายประมาณครึ่งปี ย, ย้อนหลังลูกพาคุณแม่ไปอาบน้ำคุณแม่ได้เลื่นล้ลม หน้าผากกระแทกขอบธรณีประตูจนหน้าผากแตกเลือดไหลามากลูกร้องไห้เสียใจอย่างมากในความประมาทลูกจะมีบาปติดตัวมากไหมคะคือพาท่านไปอาบน้ำเนะี่ยแต่ท่านลม้มเงท่านเองกังวลสิว่าถ้าเราไม่พาท่านไปอาบน้ำท่านก็ไม่ลม้มอ่ะมันมีโอกาสคิดได้น ะ, ล อ, ะลองคิดดูสิทำไม คุณพ่อกับคุณแม่ถึงตายวันเดียวกันแต่คนละปีมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าคะออมันก็น่าคิดเออทำไมมาตายวันเดียวกัน แ, แ, แต่คนตายวันเดียวกันในทั่วโลกนะลูกเนะเยอะเลยเนะี่ยแต่คนละปีก็มีปีเดียวกันก็มีเออบางที ลืมไปเหมื่อกันนะลูกและเพื่อนเคยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในอดีตชาติจึงได้มาเป็นเพื่อนซีคู่ใจในชาตินี้แล้วก็ได้เจอกันและจะได้เจอกันอีกในชาติต่อไปหรือเปล่าคะ <c oughs> คือซีกันมากเลย <c oughs> เพื่อนซีแต่เราไม่ซีนะ <c oughs> เนื้ลือไม่ซีทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> ทำอย่างไรจรึงจะแก้นิสัยเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหของเพื่อนคนนี้ได้และเพื่อนลูกทำกรรมอะไรมาจึงได้มีโรคประจำตัวและคันไปทั้งตัวโดยหมอก็รักษามไม่หายแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรคะครเนี่ยเราจะเจ อ, เ, อเหตุการณ์อะไรต่างๆทุกๆคนหลากหลายบางอย่างก็ไปพ้องกันบ้างแตไ่ไม่เหมือนกัน บางประการพร้อมบางปรการก็ไม่พร้อมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาที่เดียวแหละอัลลามาฟังฝันในฝันกันแม่มีเศษกรรมกายเมและเศษกรรมริษยาเห็นไหม<อ>สิ่งที่ทํามาถึงมันเจออย่างเงี้ยเศษนะส่วนได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วเศษกรรมกาเมคือเจ้าชู้ และเศกกรรมฤศยาจึงตั้งมาเป็นเบอร์สองและกระถูกทำร้ายเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนแม่เกิดเป็นผู้ชายท่านนั้มีหลายบ้านกรรมนั้นจึงทำให้ท่านนั้มาเกิดเป็นผู้หญิงในชาติถัดมาไม่ใช่ชาตินี้นะชาติถัดมา เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วก็มามีสามีแปลกนะเดี๋ยวเป็นชายเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นโอ้แปลกดิแล้วก็มามีสามีที่มีหลายบ้านคล้ายตอนตัวเองเป็นผู้ชายกับเพราะเหตุนี้เนี่ยต่อมาก็มีความริษยาจึงได้ยุให้สามีในชาตินั้นเลิกกับบ้านใหญ่แล้วก็มาอยู่กับตัวซึ่งก็ได้ผลซะด้วย แม่ทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลของกรรมนั้นโดยกรรมนี้จึงมีวิบากเป็นดังเช่นชาติปัจจุบันอีกประการหนึ่งภรรยาของลูกชายคนที่สองของแม่ใหญ่ที่รังเกียจแม่ของลูกเนะี่ยแล้วคอยอยุแย่สามีของตนเข้าใจป่ะเนี่ย ค, คืออดีตภรรยาหลวงของสามี ตนเองในชาติที่ตัว ย, ย, ยุเขาเนี่ยเลยจองเวรกันมาเห็นไหมมนุษย์ที่มันหลากหลายเดี๋ยวผัดผัดกันเป็นนุ่นเป็นนี่เป็ น, น, ปนอะไรต่างๆผูกเวรกันมาชาตนาบริสยาเขาก็อันนี้เจอบ้าง ค, คุณพ่อทำนิสัยติดข้ามชาติมาคือท่านอยากจะมีลูกเยอะ ตามความนิยมของสังคมกเกษตรกรรมในชาตินั้นท่านตายเพราะหมดอายุไขสังคมกเกษตรกรรมชาบมีลูกเยอะๆจะได้มาแบ่งเบาภาระไงในการทำมาหากินทำไ ร, ร่ทำนาอะไรต่างๆเพราะนั้นเวลาจะให้ศีลนิพน์ใครก็ให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนี่ยจะได้มาแบ่งเบาภาระกันตายเพราะหมดอายุไข ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นธรรมดานหะไปเป็นภูมิเทวาธรรมดาธรรมดามีเสื้อผ้าใส่จ้า <c oughs> เป็นเสื้อผ้าแบบภูมิเทวาแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่ากังวลไปเลย <c oughs> ท่านจะไม่เดิน โชว์ขนาดนั้นหรับแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆคุณแม่นี่นแหละจนกระทั่งคุณแม่ตายแม่ของลูกตายเนี่ย ค, คือท่านจะมาบนเวิยญาการสงสารรักด้วยสงสา ร, รต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ลูกอุทริบไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้น แล้วก็ได้พาคุณแม่นะ่ยไปอยู่วิมานเดียวกัน<ฮ>ที่หมู่บ้านภุมะเทวาแห่งหนึ่งเมื่อได้รับบุญที่ลูที่ไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นคือเป็นภุมมะเลื่อนจากภูมมะเทวาชั้นธรรมดาเป็นภุมมะเทวาชั้นสูงขึ้น<ฮ>ดีขึ้นตอนนี้ท่านไปสมหวังในประโลกกันแล้วไปอยู่ด้วยกัน อุต่าห์วนเวียนคออยู่แต่ไม่ถึงไอ้แช่งของมัลยจะตายี่ทีอะไรก็ไปให่กันตายเองก็ดูาตายเมื่อไหร่ก็จูงมือกันไปเลยก็เป็นครอบครัวอบอุ่นในภูมิของภูมิเทวาซึ่งเป็นภูมิที่ใกล้กับมนุษย์เราจะค่อยๆเจาะไว้รายละเอียดเอ า, าเรื่องราวายละเอียดของภูมิเทวาเนี่ย ที่กล่มาดนดีด๋มาเล่าสู่กันแม่ตายเพราะหมดอาอยุไข่เจ้าและกับาพร้องกับวันตายของพ่อแต่คนละปีลูกก็บม่ได้มีบาปกรรมอะไรหรอกทานตายนั่นเองเนี่ยพอแม่ตายพ่อก็มารับตัวไปอยู่หมู่บ้านผมมาูมะเทวาด้วยกันโดยบุญที่ลูกอุทิศไปให้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีเสื้อผ้าสวมใส่ตามกาลังบุญของตัวและที่ลูกอุทิศไปให้ ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าตอนก่อนตายหรือชุดที่ท่านโปรโดทั้งสองท่านนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวชุดในเมือมนุษย์ก็เคยชุดในเมืองมนุษย์ชุดในปรโลกก็อีกชุดหนึ่งตามกําลังแห่งบุณก่อนที่ท่านตายครึ่งปีลูกจะพาท่านไปอาบน้ําแล้วท่านลื่นหกล้มจนหน้าพากแตกแล้วกระทบกับขอบธรณีประตูนั่น ลูกก็มม่ได้มีบาปกรรมอะไรกับท่านหรอกเพราะไม่ได้มีเจตนาตอนนั้นอย่าไปกังวลใจเลยนะจ๊ะให้ตั้งหน้าต่างตาสร้างสมบุญบา ร, รมีให้ม า, มากๆรู้ที่ไปให้ท่านจะดีกว่าท่านทังสองก็จะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกพ่อมักจะเป็นห่วงและสงสารแม่แตั้งแต่เป็นมนุษย์เพราะเหตุนี้เองเมื่อตาใหม่ ท่านจึงวนเวียนอยู่ใกล้ได้แต่ดูแลแต่ไม่รู้จะสื่อสารกันอย่างไ ร, รส่วนแม่ก็มีความผูกพันอยู่กับพ่อโดยคิดถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและก็คิดว่าตายแล้วขอให้ได้ไปอยู่กับพ่อด้วยกันเมื่อหมดอายุขัแล้วมาพองกันกับวันตางพ่อแต่คนละปีจึงได้ไปอยู่ร่วมกันสมความหลาวนา ไม่ได้มีสาเหตุอื่นใดที่พิเศษนอกเหนือจากนี้จ้าลูกและเพื่อนก็เคยเขาหาส ม, มาคมสนิทสนมกันมาหลายชาติส่วนเพื่อนมีกรรมที่ทำให้ลูกน้องหมอฉีดยาผิดแล้วทำให้บวมและคันผุพองปวดแสบร้อนไปทั้งตัวก็เพราะกรรมสองกรรมคือกรรมมักกรดติดข้ามชาติมาเลยนะ และมีวัจจีกรรมคือวเวลาโกรธใครก็มักจะ ด, ด่าว่าบุคคลนั้นยางสาเสียเทเสียทั้งต่อนหน้าและรับหลังกับวิกรรมหนึ่งคือชอบต้มปลาทั้งเป็นเป็นอาหารเพื oh. ่อความอร่อยอร่อยจ้า oh. จะแก้ไขได้เพื่อนของลูกต้องทำใจใ ส, ส่แผ่เมตตาแล้วก็ อย่ามักโกรธให้ปล่อยสัตว์ไปปราให้อพยท า, านและก็สั่งสมบุญทุกทุกบุญกับหมู่คณะอย่างเต็มที่ก็ทั่งเก่าถึงวัฏธรรมกายในตัวก็จะหมดจากวิบากกรรมนี้ตายแล้วก็จะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้าสาธุเเรามาดูภาพกันนิดหน่อย ที่แม่ใหญ่และลูก ๆ, ๆทำร้ายคุณแม่แล้วเอาเงินไปกับนื่องด้วยกรรมในอดีตของแม่ในอดีตคุณแม่เคยเกิดเป็นผู้ชายมีนิสัยเจ้าชู้มีหลายภรรยาด้วยเสรกรรมนั้นชาติตมาจึงได้เกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยเสรกรรมที่มีความริษยาจึงเกิดมาเป็นภรรยาน้อย ในชาตินั้นได้ยุยงสามีทิ้งภรรยาหลวงให้มาอยู่กับตนเองได้สําเร็จภรรยาหลวงในชาตินั้นถูกอาฆาตได้กลับมาเป็นภรรยาของลูกชายคนที่สองของแม่ใหญ่ได้ยุยงให้ทุกคนเกลียดและทําร้ายคุณแม่ของลูก ค, คือเราทําอะไรไว้มันจะติดเป็นผังสําเร็จติดตัวเนะี่ยเหมือนระเบิดเวลาติดตัวถึงเวลามันตุ่มระเบิดขึ้นมา มันก็เป็นไปอย่างที่เราได้เคยกระทำเอาไว้พ่อที่ต้องมาเลี้ยงลูกยี่สบ็ดคน22สบองคนเพราะติดนิสัยมาตั้งแต่อยู่ในสังคมเกษตรกรรมท่านมีความพอใจที่อยากจะมีลูกเยอะๆแล้วมักให้พรว่าให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองคุณพ่อตายเพราะหมดอายุไขพอตายแล้วกายละเอียดก็มีเสื้อผ้าใส่แบบ ภุมะเทวาเป็นผุมะเทวาแล้วก็มาวนเวียนอยู่กับครอบครัวเพื่อรอคอยคุณแม่ของลูกนี่มายืนคอยดูแลเพราะสื่อสารกันไปแล้วก็ไปรู้เรื่องถ้าได้ยินมีปัญหาทีเดียวเลยเห็นก็มีปัญหาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนี่ก็ดีแล้วบุญนักหนาแล้วนี่ ตอนที่โลสายยางออกคุณแม่ก็เสียชีวิตแล้วจึงและไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรคุณแม่ตายเพราะหมดอายุขไขตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาได้พ่ อ, องลูกมรรารับแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งพร้อมด้วยบุญที่ลูกอุทิศไปให้นี่สมหวังสมรักรในปรโลกก่อนคุณแม่ตายครึ่งปี ลูกพาคุณแม่ไปอาบน้ำคุณแม่ได้ลื่นล้มน่าพากระแทกขอบธรณีประตูจนหน้าผากแตกเลือดไหลเป็นอุบัติเหตุที่ลูกนําไม่ได้มีเจตนาดังนั้นจึงไม่มีกรรมอะไรคุณพ่อคุณแม่ตายวันเดียวกันแต่คนละปีเป็นเหตุสอดคล้องกันเท่านั้นเองแต่พ่อองลูกก็วนเวียนตลอดสามปีเพื่อ รอคุณแม่สามปีมนุษย์เพื่อนและตัวลูกผูพกพันเป็นสหายกันมาหลายชาติ mm hmm. เพื่อนลูกมีกรรมสองอย่างมารวมกัน mm hmm. คือวรจีกรรม mm hmm. เมื่อกโกรธชอบด่า ว, ว่าเจ็บปวดแ ส, แสบแสบคันคันกระดองใจ mm hmm. ทั้งต่อหน้าและรับหลัง mm hmm. โกรธนานรวมกับกรรมในอดีตที่เคยต้มสัตว์ทั้งเป็น เช่นปลาเพระความอร่อยในการทำอาหาร oh. จึงทำให้ในชาตินี้เนะี่ย oh. เป็นโรคความดันเพราะความโกรธ oh. มีแผลผู้พองเพราะวาจีกรรม oh. ปวดแสบปวดร้อนคล้ายน้ำร้อนร่วเพราะกรรต้มสัตว์ทั้งเป็น oh. Oh. ให้แก้ไขด้วยการนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้มากๆยาผูกกรธใคร ให้อภัยทุกๆคนแล้วก็ให้ปล่อยสัตว์ไปปลาเป็นหนึ่งนิดสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ต่อไปอุทิษส่วนกุศให้กับคู่กรมคู่เวรของเราทุกครั้งให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาชักชวนในคนติดจานดาวธรรมให้อธิษฐานจิตไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันนะจ๊ะนี่ก็เป็น เรื่องราวเคสตสตีเยยอสันสันสำหรับคืนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและเกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นจึงจะต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสต์สตีสันสันคืนนี้